เช่นลมหายใจและอิริยาบถไปก่อนถ้าสติดีแล้วแต่ไม่มีเหตุการณกระทบเป็นพิเศษก็ดูกายใจโดยความเป็นขันห้าเกิดดับแต่ถ้ามีเครื่องกระทบให้เกิดปฏิกิริยาทางใจเด่นชัดก็ดูโดยความเป็นอายตนะหไปเมื่อสังเกตอายตนะหมากเข้าถึงจุดของความชำนาญหนึ่งก็เกิดประสบการณ์ทางจิตอีกชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อน